ที่หักกรรมเหล่านั้นได้ก็เพราะพระองค์หักอุปาทานได้ถอนอุปาทานได้ถอนกามุปาทานที่ถูกปาทานสีลพัตุปาทานและอัตวาทุปาทานที่พระองค์ถอนอุปาทานได้พระองค์ถอนตัณหาได้ที่พระองค์ถอนตัณหาได้สิ้นเชิงก็เพราะพระองค์รอบรู้เวทนาเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโน ส ต, สติมาวินยะโลกเกอภิชาโทมณ ส, สังนะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยนะอนุปัสนาเจนะนะก็ะคือเจริญโพธิปักจิกิยธรรมกำหนดรอบรู้ในเวทนาเพราะถ้ายกสติประธานชื่อว่ายกสัมมประธานอิทิบาทอินทรพละโพชงแล องค์มร์เนื่องจากพระองค์กําหนดรอบรู้เวทนาเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาเช่นกับลูกศอนเห็นอทุกขม ส, สุขเวทนาทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยน ะ, ะก็ด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนารวบรวมอนุปัสสนาสําเร็จเนี่ยนะก็เรียกว่าตัดอาลัยในเวทนาได้สิ้นเชิงที่พระองค์รู้เวทนาพระองค์พิจารณาเห็น ทิ่จรรยาการอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั้นกายานุปัสนาพระองค์ก็เจริญอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เวทนานุปัสนาจึงเจริญในครบถ้วนเมื่อเจริญเวทนานุปัสนาเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตเหล่าใดจิตเหล่านั้นพระองค์ก็เจริญอนุปัสนาเจ็อย่างครบถ้วนบริบูรณ์และทำเหล่าใดที่ควรละพระองค์ก็ละทำเหล่านั้นเช่นนิวรณ์ทำเหล่าใดที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญทำเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์คือ โพษชงขันอายตนะเหล่าใดที่ควรกําหนดรอบรู้พระองค์ก็กําหนดรอบรู้ขันอายตนะเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสัจจะทั้งสี่ประการทุกควรกําหนดรอบรู้พระองค์ก็กําหนดรอบรู้กองทุกเนนสมุทัยเหล่าใดที่ควรละพระองค์ก็ละอย่างสิ้นเชิงพระนิพพานที่เป็นธรรมที่สงบระงับดับสังขารเหล่าใดพระองค์ก็ทําให้แจ้งพระนิพพานเหล่านั้นอย่างครบถ้วน บริบูรณ์ัพอองค์พิจารณาทุกอย่างแล้วเข้าพระสมาบัติได้หมดเลยเพราะเจริญคุณธรรมทุกประการเนี่ยนะเช่นกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญเจริญสมถาวิปั ส, สนาเจริญสมาธิสเจริญสติประทาน 4, สี่สัมมาประธาน4อิทิบาท4ี่เจริญอินสีเนี่ยนะเจริญอินรียห้า เจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์5เจริญอนุสติ6เนี่ยนะหรือว่าเจริญโพษชงเจ็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เจริญธรรมมิโยนิโสเป็นมูล9หรือเจริญองค์ความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์9้าเจริญกสินสิบเนี่ยนะคือสรุปว่าคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญพระองค์เจริญคุณธรรมเหล่านั้นเมื่อเจริญคุณธรรมเหล่านั้นกําหนดรอบรู้กองทุกทั้งหลายตันหาก็เป็นอัน สิ้นไปเมื่อถอนตันหาเสร็จสิ้นแล้วอุปาทานที่จะไปยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราที่จะไปยึดถือสังขารว่าเที่ยงไปยึดถือว่าสังขารเป็นสุขยึดถือธรรมทั้งปวงว่าเป็นอัตตาจึงมิใช่ฐานะเมื่อถอนอุปาทานได้โดยประการทั้งปวงกรรมก็หมดสภาพเหมือนอย่างว่ามเมล็ดอนนะนะเมล็ด อะไรน ะ, มะเมล็ดพันธุ์ชั้นเลวเนี่ยนะเมะเล็ดหมามุยมเล ม, ย ม, มเล็ดตําแย่เมล็ดเต่าร้างเนี่ยที่จะเอาไปเพาะปลูกขึ้นถ้าเอ า, มาเมล็ดเหล่านั้นเนี่ยนะมาคั่วเหมือนเกาลักษณ์เนี่ยนะมาคั่วซะหมดเอาไปปลูกได้ไหมใครปลูกเกาลักษณ์คั่วจนสุกเนี่ยนะพร้อมที่จะรับประทานเนี่ยหรือเกาลักษณ์นึ่งจนสุกเป็นยุ่ยหมดเลยเนี่ยใครเพาะปลูกขึ้นมั่งฉันใดเจตนาทุกเจตนาเนี่ยพระองค์อกเผาขั่ว ด้วยสัมมาประธานหรือทเทวา ต, ะบะนะต า, าตะบะเนี่ยนะตโปจะเนี่ยตาบะก็คือเครื่องขั้วย่างเผาอากุศลจนกรรมที่ควรจะนำไปสู่ไปสู่พบใดพบหนึ่งเนี่ยพระองค์หักซี่กรรมเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยนะเราั้นพระองค์จึงหักซี่กรรมแห่งสังสารจาัจจ์อันผ้ารหัสทั้งหลายจึงไม่ปรากฏตัวไม่เสนอตัวในภพสามไม่ไปเสนอตัวในการมาพบรูปประพบและ อรมณ ป, ปรพบตอนนี้ใครๆถามว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าแบบเทรวะ น, นะนนเดี๋ยวคุยกันคนล ะ, ละทิรยุ่งเลยนะคนละนิกายละมีปัญหามาอันนี้พุทธเจ้าแบบพระไตรปิฎกนะก็บอกว่าพระองค์ตอนนี้โชว์ตัวอยู่ที่อบายใช่ไหมบอกไม่โชว์ตัวอยู่ในหมู่มนุษย์อยู่ตรงใดตรงหนึ่งใช่ไหมแอบไปซ่อนซอนอยู่ตรงไหนใช่ไหมแอบไปสร้างกุฏิอยู่ในหลบเขาตรงไหนหรือเปล่าบอกไม่มีอยู่เทวโลกชั้นไหน ในยี่หกชั้นเนี่ยนะตั้งแต่พุมมทธเทวดาจนถึงเนวสัญญาณาสัญญายาตนะไม่มีเลยเนี่ยนะคนจึงไม่กับมันโทนตพรามโทณพรามเนี่ยนะโทนพรามคนที่แบ่งพระธาตุบอกว่าท่านจะเกิดเป็นยักษ์หรือไม่ท่านจะเกิดเป็นเทวดาหรือบอกไม่ท่านจะเกิดเป็นคนทันเป็นต้นหรือบอกไม่เพราะอะไรเพราะ พระองค์ไม่เกิดในภพเหล่านั้นเพราะเหตุที่นําไปสู่ภพเหล่านั้นอาสว ะ, ะที่นําไปสู่ภพเหล่านั้นเนี่ยพระองค์หักหักทําลายถอนราก ร, รากคือร า, young, ราคะที่นําเกิดรากคือโทสะที่นําเกิด ables, รากคือโมหะที่นําเกิดรากเหล่านั้นที่นําไปสู่ภพทั้งปวงพระองค์ถอนรากเบ็ดเสร็จหมดแล้วหรือขั่วเผาทําให้สุกหมดแล้วพันจึงไม่มีการเกิดในภพใหม่เนี่ยนะ บัดนี้นัตถิชานิปุนภภวเนี่ยนะบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปนิยมสวดกันว่าพระองค์ผู้มีพระสรีระสุดท้ายเนื่องจากว่าพระองค์มีสรีระสุดท้ายเนี่ยนะพระผมของพระองค์ก็น่ากราบหน้าไหว้เรียกว่าเกษาธาตุเกษาของพระองค์ก็คู่ควรกับการกราบการไหวเพราะเป็นผมเส้นสุดท้าย ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องโกนไม่ต้องอะไรอีกแล้วถือว่าสุดท้ายจริงๆซึ่งต่กับของเราเนี่ยนะถ้าผมทุกชาติทุกชาติเอามาต่อกันให้ยาวกี่เม็ดตีเนี่ยนะอาจจะพันโลกสําเร็จไปเลยไม่รู้กี่รอบอ่ะนะนั่งบนผมนอนบนผมยืนบนเส้นผมของเราได้เบ็ดเสร็จหมดอ่ะนะแต่นี้ว่าเส้นผมเนี่ยเกษาของพระองค์ก็ถือว่าเกษาสุดท้ายจึงคู่ควรแก่ การกราบการไหว้แต่ถ้าใครตัดผมนี้แล้วก็ถือเอาผมใหม่นะผมประเภทนี้ถือเขาปัดลงขยะหมดเขาว่าสกปรกปฏิกูลนะแต่เกศผมของพระพุทธเจ้าคนก็พยายามที่จะกราบที่จะไหวนะ้ทั้งไม่ว่าจะเป็นผมเป็นโดยเฉพาะกระดูกทั้งหลายเนี่ยที่ไหนที่เก็บกระดูกนะเชื่อไหยคนกลัวที่สุดเลยนนะ ก่อนไปเห็นที่ฝังศพเนี่ยอุย้ยน่ากลัวจะตายแต่เชื่อไหมแต่ถ้าเป็นท่าของพระพุทธเจ้าแหมอยากจะไปอยู่ใกล้ๆอยู่เจดีได้ว่ายพระธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่หลอกหล่อเราแน่นอนเหมนกันไอ้ที่กลัวคนอื่นเนี่ยกลัวเพราะอะไรกลัวถูกหลอกถูกหลอนใช่ไหมแต่พระศรีระธาตุสารีริกรธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มาหลอกมาล่อแ น, น่นอนกราบก็เป็นบุญเนี่ยนะ คิดถึงแล้วก็สบายใจเนี่ยนะคิดถึงแล้วก็สบายใจซึ่งกระดูคนอื่นนะแม้กระทั่งกระดูกอะไรนะผู้คนณผู้มีพระคุณเนี่ยพระมีเด็กคนหนึ่งพ่อเขาเพิ่งสิ้นชีวิตเขาเอากระดูกมาไว้ที่บ้านไม่ยอมเข้าไปห้องตรงนั้นเด็ดขาดเลยนะกลัวแต่ก่อนหน้านี้ทั้งๆที่แหมผูกพันกันมากตอนหลังกขาบอกไม่กลัวมากเลยนะกระบอกอะไรกขาบอกกระดูกคนมีกิเลสเนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าของพระ อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชาแล้วก็กราบไหว้ะ น, นะบูชาด้วยอามิดบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเนี่ยนะเพราะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ควรแก่เครื่องบูชาด้วยปัจจัยโดยประการทั้งปวงอ่ะ น, นะมันปัจสิ่งใดที่เรียกว่าท่าาอะไรนะจะทำเพื่อคนใดคนหนึ่งสมมตินะ แม้กครเรียกว่าพลีชีพเช่นพลีชีพเพื่ออะไรก็ช่างเถอะสละชีพเพื่ออะไรสละร่างกายสละเลือดเนื้อสละสละสละสละทุกอย่างเนยนะที่เรียกว่าบริจาคหรือเสียสละหรือทําสิ่งใดเพื่อบุคคลใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในโมสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ไม่มีผู้ใดสมควรเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะ พระปฏิเจกพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ได้เเศษเสี้ยวพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์พระอรหันตสาวกหรือพระสาวกทั่วๆไปเป็นล้านก็ไม่ได้เทียบกับพระพุทธเจ้าแม้แต่เพียงพระองค์เดียวเพราะพระองค์เป็นผู้มีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ศีลคุณของพระองค์ก็ไม่มีที่สุดปัญญสมาธิคุณปัญญาคุณอริยะคุณทั้งปวงของพระองค์เนี่ยมากมหาศาลพรานพระองค์เป็นผู้ทรงคุณเนี่ยจึงเป็นผู้สมควรแก่การ กราบการไหว้การบูชาการสการรักการะการยกย่องการสรรเสริญเนี่ยนะไม่ไม่มีใครสมควรกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะเพราะถ้าจะทําเพื่อผู้ใดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสมควรที่สุดเหมาะสมที่สุดผู้ใดทําอะไรเพื่อพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นจะไม่เสียใจในภายหลังเช่อไหมแต่ถ้าทําเพื่อคนอื่นเนี่ยไม่แน่ใช่ไหมแหมไอเรานะีอุตสาห์ทาให้ตั้งมากมายเนี่ยนะไม่น่าเป็นอย่างนี้กลับกลายเป็นอื่นไปได้โดยมากเสียใจภายหลังหมดเลย เขบอกบ้อนนี้แหละไม่ทําเพื่อพระพุทธเจ้ธธาของเขเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่าโดยที่สุดมาอู้นี่ทําเพื่อครูอาจารย์บอกตอนหลังครูอาจารย์เป็นอื่นไปอุ้ยไม่น่าเลยเนี่ย น, นะร้องไห้น้ําตาไหลเอาทําไมไม่ทําเพื่อพระพุทธเจ้าถ้าทําเพื่อพระพุทธเจ้านะไม่ไม่เคยมีการเสียใจไม่ใช่กําลังเสียใจและจะไม่เสียใจอีกต่อไปเนี่ยนะมั น, น, น ถ, ถ้าจะสละก็ขอสละเพื่อเป็น พุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้ากายกรรมก็ขอทําเพื่อเป็นพุทธบูชาวาจีกรรมก็ขอทําเพื่อพุทธบูชามนโนกรรมก็ขอทําเพื่อบูชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครทําอะไรที่เป็นพุทธบูชาจริงๆจะไม่เสียใจเพราะฉะนั้นเป็นที่ฝากศรัทธาดีที่สุดอ่างั้นเถอะก็เรียกว่าเป็นคนมีทรัพย์น้อยเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยแม้อุตสา่าห์หาเงินหาทองมาแล้วไปฝาก สมัยก่อนเนี่ยนะก็คือชูชกเขาเขาไปขอทานมนาะโอ้ยได้มาตั้งพันหน่งอันนี้อาชีพขอทานมันต้องเร่ร่อนไปเนจ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็เลยมาคิดว่า เ, ออเราเนี่ยมีเงินตั้งพันเนี่ยขอทานได้ตั้งพันสมัยนี้ก็ขอได้เป็นแสนนะ่ยได้ทำไงดีนะเป็นมีตั้งพันหนึ่งสมัยนั้นไม่มีธนาคารฝากใครเนาะมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งเอาไปฝากเพื่อนเลยฝากไว้พันหนึ่งเพื่อนฝากไว้หน่อยเดียววันหลังจะมาเอาคืน แต่ชูโชคก็ไปขอทานต่อไปเนี่ยนะให้ฝ่ายเพื่อนในปีแล้วปีเล่าชูโชคก็ไม่กลับมาหาซากทีหนึ่งก็เลยใช้สัมหมดเลยมันไปตายอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้ชูโชคมันหายเงียบไปเลยเนี่ยนะวันดีคืนดีเนี่ยนะชูโชคโผลมาบอกเพื่อนพันหนึ่งเอามาอนะัดีนะไม่ทวงพร้อมดอกเบี้ยนะเพราะไม่มีไม่มีดอกเบี้ยฝากนะบอกว่าเอาพันหนึ่งเอามาก็บอกเพื่อนใช้ไปหมดแล้วฉันนึกว่าแกตายไปแล้วอ่ะเนี่ยนะ ฉ, ฉันใช้หมดจริงๆเลยไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยขายทั้งบ้านนี่มันก็ได้ไม่กี่บาทพอจะใช้ไปตั้งพันหนึ่งเนี่ยนะเอาไงเดียชูชกไอเ อ, อะโวยวา ย, วยตามภาษาชูชกอยู่แล้วเนี่ยนะก็ในที่สุดเพื่อนก็อุย้ยไม่รู้จะทำยังไงเหลือแต่ลูกสาวคนเดียวก็เลยยกให้ลูกสาวให้ยกนางอมิตรตาปนาให้เนี่ยนะอํานางอมิตรตาปนายกให้ชูชกไปเลยเนี่ยนะทีนี้เราก็มาคิดดูนะเนี่ยคือคืออยากจะบอกว่า เงินของชูชคเนี่ยนะถ้าดีว่ามีลูกสาวไถคืนถ้าคนนั้นไม่มีลูกจะทำไงกันนี่เอานะหมดเลยเดศูนย์เปล่าแน่นอนเนี่ยนะนั้นก็บอกว่าฝากในที่ที่ไม่สมควรฝากแมทำงานหาเงินมาแทบตาย ไปฝากให้เมียนักพนันไงนะฮะโอ้ยทําทุกอย่างเพื่อภริยาสุดที่รักพอดีเธอเล่นการพนันเก่งมากฝากไว้จนหมดตัวเหมือนนันเนอะมีเท่าไหร่จะไปเหลือมาหรือไม่ภ ร, ริยาแหมทําทุกอย่างเพื่อสามีฝากเงินให้แก่สามีขี้เหล้าเมายานักเลงการพนันเที่ยวผู้หญิงอีกต่างหากในท้าว่าจะเหลืออะไรไหมก็ไม่เหลือเพราะว่าฉันใดก็ดีเขาบอกว่าถ้าจะมีทรัพย์ฝากควรฝากที่ไหนก็ที่ที่มันมั่นคงที่สุด ดีที่สุดฉันใดถ้าเรามีศรัทธาหรือมีใจเนี่ยนะถ้ามีใจเราควรพักใจของเราไว้ที่ไหนฝากใจของเราไว้ที่ไหนแล้วเราจะไม่เสียใจในวันหลังตั้งคนถามเนี่ยนะยิ่งยิ่งสมัยใหม่แม่โอ๊ยเดี๋ยวคนนั้นเก่อหม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเอ้าก็คุณไปนับถือทาไมสิ่งที่ไม่ดีทาไมไม่นับถือพระพุทธเจ้าผู้เรียกว่าดีที่สุดเนี่ยนะบอกพระพุทธเจ้าท่านนี้ผานไปแล้วอารหัง สัมมาสัมพุทโธพระควาเป็นต้นเนี่ยยังอยู่นะเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกนึกถึงอยู่เสมอเพรันเมื่อใดที่เรานึกถึงทำทุกอย่างเพื่อเป็นพุทธบูชาสิ่งเหล่านั้นจะไม่สูญไม่สลายแล้วก็ไม่แตกทําลายมีแต่ปริมาณจะเพิ่มยิ่งๆิ่งขึ้นไปเนี่ยนะนถ้าคนศึกษาธรรมะเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยเฉพาะเข้าใจพระพุทธคุณเป็นอย่างดีเนี่ยนะ จะไม่มีเสียใจเนี่ยนะมีแต่จะดีใจเป็นลาบของเราแล้วเนอการเกิดมาของเราได้ดีแล้วเนอที่เราได้นับถือพระพุทธเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาแล้วรู้สึกว่าไม่เสียดายชาติเกิดแล้วไม่เสียดายไม่เสียใจเลยที่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเคยได้ยินไหมว่าไปเจอพระพุทธเจ้าหรอกไม่น่ามาพบพระองค์เลย เนี่ยนะพระอรยาสาวกเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายพระโสดาบันเป็นต้นไม่น่าเลยเนี่ยนะไม่มีการมาของข้าพระองค์เป็นการมาดีแล้วหนอทุกท่านจะพูดอย่างนี้หมดพระอรหันต์ทุกองค์พูดอย่างนี้หมดถ้าไม่ได้มาคงจะเสียใจแย่วังนั้นเถะ ถ้าไม่ได้นับถือพระผูธเจ้าน่าเสียดายขนาดไหนแม้กระทั่งพวกเราเราทั้งหลายเนี่ยเกิดไม่ทันเท่านั้นยังเสียใจเลยใช่ไหมเกิดไม่ทันแหมไม่น่าเลยน่าจะรีบไอ้ตอนนั้นก็เกิดท่านพราะป็นไรก็ยังอยู่ในวัดตานี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ปัญหาว่าทําไมไม่เข้าเฝ้าก็ไม่รู้นะเพราะอาสงสัยตอนนั้นงานยุ่งมากเลยนะมีธุระมากมอุ้ยอธิบายได้เหมงอนกันเถอะยังไม่มีเวลาเหมือนั้นอธิบายได้แต่ก็เอาเถอะอย่านะั ก็ไม่สายแล้วเพราะเนี่ยมันตั้งสองเกือบสองทุ่มแล้วเนี่ยไม่ใช่มันไม่ไม่สายหรอกน่ยนะแค่สองทุ่มเองไงนะนี่ก็พันพระองค์ในท่าอย่างสมมุติว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรแก่บูชามากที่สุดเนี่ยนะอระหังเนี่ยนะแปลว่าสมควรมาจากคําว่าอารหะแปลว่าสมควรระหะเนี่ยนะผู้สมควรที่สุดถ้าท่ า, ทาไม่มีไม่มีผู้ใดที่จะสมควรแก่เครื่องบูชาสักการะเช่นกับพระพุทธเจ้าอีกแล้วถ้าจะทําเพื่อ ผู้ใดผู้หนึ่งก็ขอให้ได้ทําเพื่อพระพุทธเจ้าเถิดถ้าทําเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะสักการะแม้เล็กน้อยก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขดอกบวบขมดอกเดียวที่ทําพุทธบูชาดอกบวบขมอั น, นั้นก็ทําให้ได้ปีตกะกาวิมานเลยนะวิมานสีเหลืองเนี่ยนะปีเตะปี ต, ปตกะกวิมานเนี่ยนะก็ได้วิมานสีเหลืองเลยฉันใดเนี่ยนะผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะภาษารีบุตรที่มีปัญญา ม, มากเพราะบูชาพระพุทธเจ้าสรรเสริญ พระพุทธเจ้าพันผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้ามีแต่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่ประเสริฐสูงสุดอย่างเดียวและไม่มีตกต่ําเลยแต่เชื่อไหยถ้าเราเลิกลกบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อใดหันไปบูชาใครบางคนที่ไม่ดีจริงเพื่อใครบางคนที่ไม่ดีจริงถ้าอย่างนี้ก็หาผ้าซับน้ําตาไว้เลยเพราะนั้นนะเดี๋ยวก็เสียใจยจนได้ น, นะนะเอาก็นับถือสิ่งที่ไม่ดีจริงอ่ะถ้านับถือลิงจะว่างไงเออ เอ้าก็คนถ้านับถือคนที่จะเกิดเป็นลิงแล้วเขาจะแน่นอนหรือเอา้าถ้าเขาไม่ใช่พระอาหารหันเนี่ยนะอนาคตเขาพ้นจากกําเนิดลิงหรือยังยังเมื่อเขาไม่เกิดไม่พ้นจากกําเนิดลิงเนี่ยอัธยาศัยลิงในปัจจุบันชาติมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเพราะฉะนั้นหาความแน่นอนไม่ได้เลยแต่ถ้าใครบอกแม้ขอเอาแบบชนิดที่เรียกว่าแน่นอนไม่ผิดไม่พลาดถูกต้องอย่างเดียวบอกนับถือพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะ บอกอ้าวแล้วนับถือคนพูดได้ไหมบอกคนพูดก็นับถือพระพุทธเจ้าไปนับถือพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะเพราะคนพูดเพราะถ้าถ้าไม่ถูกใจเมื่อไหร่ก็อาจจะมีเรื่องเลยนะคุยไม่ดีเมื่อไหร่ก็ทะเลาะ ก, กันเลยอนะไรประมาณนั้นวันนับถือพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะเหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะนี่พูดตรงนี้ก็พูดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าสรรเสริญเนี่ยนะก็เรียกว่าบูชาด้วยคือคนอื่นเนี่ยนะเขามีเขามีบุญไง คนอื่นเขามีบุญมีสตังมีน่นเขามีดอกไม้มีของหอมมีทูบมีเทียนมีโบสถ์มีวิหารมีองค์พระเจดีย์มีเงินมีทองเขาไปบูชากันข้อมาเนี่ยมีแต่ตัวเนี่ยนะก็มีแต่คอเนี่ยเราก็เลยมีแต่เสียงก็เลยชื่นชมสรรเสริญก็บูชาแล้วเราก็บูชากันคนละอย่างนะก็เรียกว่าใช้เสียงเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยสวดมนต์ตั้งแต่เช้ามาแล้ว เช้าไปเช้าไปสวดมนต์ที่พระเจ้าก้าวเตือนว่าพระพุทธรูปสวยมากเลยนะที่วัดเจดีหลวงเออวัดสวนดอกสวดมนต์อยู่ตรงนั้นจนคอแหบได้เวลาเพนพอดีเลยเลิกเนี่นะก็เลยไปชั้นเพนชั้นเพนเสร็จเนี่ยก็กลับมาสวดมนต์ที่นี่ต่ออีกเนี่ยนะบอกว่าทาอะไรบอกอาชีพสนรเสริญพระพุทธเจ้าชื่นชมพระพุทธเจ้าว่ะว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ดีจริงจว่างั้นแต่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ดีก็บอกว่าเอาแล้วได้อะไรก็ได้บุญยังไงล่ะเนี่ยน ะ, นะว่าบุญมันอยู่ที่ไหนก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเนะี่ บุญเนี่ยข่มซับคือบุญไม่สาธารณะแต่ชนเราอื่นเพรา ะ, ะนั้นบุญที่เราได้ทําไปโจรก็รับไปไม่ไ ด, ไได้ไม่น้ากลัวเลยใช่ไหมถ้าทําสรรเสริญพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเรากลัวตายไหมถ้าเลิกพูดคิดถึงคิดถึงตัวเองเมื่อไหร่น่ากลัวตายถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นระหว่างเรากับพระพุทธเจ้าไหนดีกันพระพุทธเจ้าดีกว่าเยอะเนี่ยแต่เชื่อไหมเราคิดถึงตัวเราเองมากกว่า